เรื่องการฟังธรรมพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันส่งรารอบการฟังธรรมยังได้สดับมาผู้คนผู้อยู่ถนนซายเดียวกันในกรุงสาวัตถีเป็นผู้พร้อมเพรียงกันถวายทานโดยรวมกันเป็นคณะแล้วก็ให้มีการฟังธรรมตลอดคืนยันรุง่งแต่บางพวกไม่อาจฟังตลอดคืนได้ บางพวกอาศัยความยินดีในกามก็กลับเรือนเสียก่อนบางพวกที่โทสะเจริตก็ไปแล้วบางพวกที่โมหะเมามัวม่วงงุนเต็มที่นางสัพ์ประงกอยู่ในที่นั้นนั่นเองไม่อาจฟังธรรมได้ก็หลับวันรุ่งขึ้นภิกษุทั้งหลายต่างสนทนากันถึงเรื่องนี้พระสัสดาทรงตรัสว่าธรรมดาสัตว์เหล่านี้อาศัยพแล้วติดข้องอยู่ในภพนั้นโดยดาดื่น มนุษย์ที่ถึงฟังมีจํานวนน้อยทรงตรัสเป็นพระคาถาว่าบรรดามนุษย์ชนพูดถึงฟังมีจํานวนน้อยชนนอกนี้เที่ยวเลาะไปตามตะลิงอย่างเดียวก็ชนเหล่าใดาแลประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมที่ตถาคตกล่าวชอบแล้วชนเหล่านั้นล่วงบวงมานที่ข้ามได้ยากอย่างเอกแล้วย่อมจักถึงฟัง ในการจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปติพลเป็นต้นดังนี้แหละอธิบายคำว่าเที่ยวเาลาะไปตามตลิงได้แก่ติดอยู่ในสังโยชนจมอยู่มีสักยทิฏฐิความมีตัวตนเห็นแก่ตัวแก่ตนเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาตัวตนของเขาของเรา คำว่าประพฤติสมควรแก่ธรรมในธรรมคือด้วยสามารถแห่งการฟังธรรมนั้นและบำเพ็ญปฏิปทาเหมาะแก่ธรรมกระทำมักผลให้แจ้งย่อมจักถึงฟังคือฟังพระนิพพานการฟังธรรมให้เกิดปัญญาขั้นตน้นเรียกว่าสุตตมยปัญญาคนฟังมากอ่านมากศึกษามากๆจนเป็นพหุหรือพหูย่อมเป็นพหูสุตตะหรือพหูสูตร ฟังแล้วนำมาคิดพิจารณาใกล้ครวนว่าสิ่งใดประโยชน์สิ่งใดไม่ใช่ประโยชน์เป็นจินตามียะปัญญารู้แยกยะด้วยเหตุผลเป็นปัญญาตัวที่สองส่วนปัญญาขั้นสูงสุดคือภาวนามยปัญญานำเอาปัญญาตัวที่หนึ่งและสองมาบำเพ็ญปฏิบัติประพฤติให้สมเหตุสมผลอันนั้นให้บังเกิดมรรคผลกระทํามรรคผลให้แจ้ง ละสักยทิฏฐิพึงเห็นว่าสักตะว่าเป็นร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้งสี่คือดินน้ำลมไฟเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเสื่อมสลายไปธาตุสีรูปร่างกายไม่รู้อะไรไม่ใช่ตัวใช้ตนของเรามีตนที่ไม่ใช่ตนถ้าใช่ตัวใช้ตนเป็นอัตตาตัวตนของเราจริงจะต้องบังคับวงการบัญชามันได้ว่าจงอย่าแก่จงอย่าเจ็บจงอย่าตาย นี่เพราะบังคับบัญชามันไม่ได้มันจึงไม่ใช่ตัวเราตัวเราไม่มีมีแต่รูปประทัดกับนามธาตุร่างกายและความรู้สึกหรือจิตวิ ญ, ญญาณเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปชนส่วนมากไม่เข้าใจจึงเที่ยวเลาะไปตามตะลิงอย่างเดียวละสักยทิฏฐิไม่ได้จึงข้ามบ่วงแห่งมารไม่ได้ย่อมเกิดตายเกิดตายอยู่อย่างนี้ มาเหตุผู้อ่านขอเสริมสักนิดนะครับสําหรับเรื่องของการละสักยทิฐิเบื้องต้นที่จะไปถึงได้จริงไม่ใช่แค่การพิจารณาหรือท่องตามตํารานะครับแต่ต้องปฏิบัติสิ่งที่จะทําให้ละสักยะทิฐิได้จริงและทําได้จริงในชาตินี้ก็คือการเจริญสติดูจิต ด, ดูกายหลายท่านที่ฝึกดูจิต ด, ดูกายจนสามารถเกิดจิตผู้รู้แยกออกมาเห็นกายกับจิตนี้ทํางานต่างหาก เหมือนจิตก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งกายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งจิตนี้ไม่ใช่เราจะเห็นได้ชัดมากเหมือนเราดูทีวีเลยนะครับก็ฝากไว้ให้คิดนะครับว่าถ้าท่านใดยังไม่สามารถทำได้ถึงขั้นนี้ก็อย่าพึ่งมั่นใจว่าสิ่งที่รู้ที่เห็นในธรรมะนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วเพราะธรรมะไม่ได้รู้กันด้วยการท่องจานะครับแต่ต้องรู้กันด้วยการปฏิบัติต้องรู้เห็นตามเป็นจริงเห็นสภาวะกันจริง จิตผู้รู้ตื่นนั้นจะต่างกับการที่จิตออกจากร่างในแบบแนวมโนมยิธิที่ออกไปเห็นนรกสวรรค์ออกไปเห็นอะไรต่ออะไรนะครับอย่างนั้นก็ยังมีความเป็นตัวเป็นตนอยู่สูงยังไม่เห็นจริงๆว่าจิตนี้เขาโกรธเขาเสียใจเขาทำอะไรต่ออะไรไปตามวิบากที่เขามีเมื่อเกิดสติเห็นได้จริงก็ถึงจะเข้าถึงภาวะที่เรียกว่าขั้นต้นแห่งการละสักยทิฏฐิ เคยเห็นจริงๆว่าจิตนี้ไม่ใช่เราบังคับไม่ได้เขาทำงานของเขาเองก็ฝากไว้ให้คิดด้วยนะครับยังไงการปฏิบัติก็สำคัญที่สุดแต่อย่าหลงไปกับการทำสมาธิจนกลายเป็นการสะกดจิตตัวเองและส่งผลเสียมากมายอย่างที่หลายสำนักกำลังทำอยู่ตอนนี้นะครับ